Thank mm -hmm. you. เช้าเราก็สาธยายเรื่องทุกข์ตั้งแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแค้นใจพัพรากจากสิ่งเป็นที่รักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็มารวมลงตรงที่ว่า ว่าโดยย่ออุปาทานขันต่างห้าเป็นตัวทุกข์ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาสาสยายเรื่องทุกข์เลยอันนี้คนที่ไม่เข้าใจเขาอาจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นไปด้วยเรื่องทุกข์เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายอันที่จริงสาสยายเรื่องทุกข์ก็เพื่อให้รู้ทุกข์เข้าใจทุกข์ เมื่อรู้ทุกเข้าใจทุกแล้วก็จะได้ไม่เป็นทุกคือสามารถที่จะอยู่เหนือทุกได้การที่จะอยู่เหนือทุกพ้นทุกได้ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการรู้จักทุกอริยสัจข้อแรกพูดเรื่องทุกก็จริงเปิดมาก็พูดเรื่องทุกเลยแต่ว่าท่านก็แนะด้ยวยว่าให้เกี่ยวข้องกับอริยสัจข้อแรกอย่างถูกต้องก็คือ รู้ทุกหรือรู้จักทุกให้ดีรู้ทุกนี่หรือบางทีก็เรียกว่ากำหนดรู้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่ารู้ว่าทุก์คืออะไรอย่างเช่นรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอันนี้คือทุกอันนั้นมันแค่เบื้องต้นซึ่งที่จริงแม้ไม่ต้องสอนก็ ก็รู้อยู่ถามเด็กๆ ก, ก็ตอบได้ว่าโอ้ยอย่างเงี้ยทุกข์อย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ว่ารู้ทุกข์มีความหมายมากกว่านั้นก็หมายความว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ให้รู้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่มันเข้าไปเป็นเลยเป็นทุกข์ซะก่อนก่อนที่จะรู้ทุกข์ก่อนที่จะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นกับตัวคนที่โกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธ คนที่เกลียดก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกลียดเพราะว่าความโกรธความเกลียดมันครอบงำใจในใจตอนนั้นมันคิดแต่จะหาทางตอบโต้หาทางเล่นงานคนที่ตัวเองโกรธหรือเกลียดใจมันก็เพ่งไปข้างนอกหรือไม่ก็ตีโพยตีภายโทษสิ่งต่างๆรอบตัวว่าทำให้ตัวเองทุกข์ใจมันเพ่งออกนอกก็เลยไม่ทันจะรู้ตัวว่าทุกกาลังเกิดขึ้นกับตนเอง ไม่ได้เห็นทุกข์ก็กำลังเกิดขึ้นกับใจแต่ว่าเป็นทุกข์ก็ไปเต็มตัวเลยเห็นทุกข์กับเป็นทุกข์มันไม่เหมือนกันเห็นทุกข์ก็หมายความว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเห็นก็คือเป็นอีกอันหนึ่งนะที่แยกออกจากเราแต่ถ้าเป็นทุกข์ก็คือว่าก็ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันไหลเ ข, ไเข้าไปก็ไปกอดเข้าไปผสมกลมเกลือนจนจนเดือดเนื้อร้อนใจ มันเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยมันต่างจากเห็นกองไฟกองไฟถ้าเห็นกองไฟคือกองไฟก็อันหนึ่งนะเราก็อันหนึ่งมันมีระยะห่างกองไฟเป็นสิ่งที่ถูกเห็นมันเป็นสิ่งที่ถูกเห็นได้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าไปเป็นเราเห็นมันถ้าจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติต้องมีสติต้องมีความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัว เพราะถ้าไม่มีความรู้สึกตัวหรือไม่มีความรู้ตัวมันก็จะเผลอเข้าไปเป็นเผลอเข้าไปเป็นทุกข์เผลอเข้าไปเป็นผู้โกรธเผลอเข้าไปเป็นผู้เกลียดเผลอเข้าไปเป็นผู้เปบียดผู้โศกผู้เศร้ามันเข้าไปเป็นเลยนั้นแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันก็ทําให้จิตเนี่ยมันถอยห่างออกมาเมื่อถอยห่างออกมาความทุกข์มันก็กลายเป็นผู้ถูกเห็นไป มันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปและต่อไปถ้ารู้ทุกข์ได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าไอ้ที่ทุกข์นั้มันไม่ใช่เราทุกข์มันเป็นรูปนามที่ทุกข์มันเป็นกายที่ปวดไม่ใช่เราปวดมันเป็นใจที่เครียดไม่ใช่เราเครียดและต่อไปก็จะเห็นอีกว่ามันไม่ใช่ใจที่เครียดหรอกนะเครียดเกิดขึ้นที่ใจแต่ใจไ ม, มไม่ต้องเครียดก็ได้ มันเกิดขึ้นที่ใจมันอาศัยใจไปที่เกิดเครียดก็อันนึงใจก็อันหนึ่งมันก็จะเห็นได้ละเอียดละอามากขึ้นนะเหมือนกับว่ามีกล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปก็จะเห็นความละเอียดสามารถที่จะแยกอะไรออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะพอเห็นชัดเจนมากขึ้นปัญญามก็เกิด นี่มันทางแยกเนี่ยระหว่างการไปสู่ความทุกข์หรือการไปสู่ความไม่ทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยทางแยกนี่มันอยู่ตรงนี้แหละว่ามีสติหรือเปล่าถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไปสู่ความเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้ามีสติมันก็แค่เห็นทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ และถ้าไปต่อเรื่อยๆทางเส้นทางนี้มันก็จะทำให้อยู่เหนือทุกพ้นทุกได้จนดับทุกได้ทางสายนี้นก็เรียกว่าทางสายสติปฐานนะเป็นทางสายเอกคนเรา เ, าเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแม้จะเป็นความพลาดพราดสูญเสียมันไม่ได้ไหมายความว่าเลยต้องทุกเลย มันมีทางเลือกทางแยกอยู่สองทางอย่างที่บอกอันหนึ่งก็ทุกมันทุกที่ใจอีกอันหนึ่งมันไม่ทุกมันเห็นทุกแทนแว่าไปแล้วเราก็เลือกได้นะว่าเราจะทุกหรือไม่ทุกไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของมันเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับกายความพลัดพร้าสูญเสียเกิดขึ้นกับวัตถุสิ่ง ข, ข, ข, ของ หรือว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นปุ๊บเราทุกทันทีนะ่ไม่ใช่เพราะมันอยู่ที่ว่าเราจะมีสะติหรือเปล่ามันมีทางแยกที่เราเลือกได้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเราเลือกเองก็ได้นะมันไม่ใช่ว่ามีใครมาทำให้เราทุกข์ คำ ว, ว่าเราเลือกเนี่ยก็หมายความว่าเป็นใจเราที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่างที่ได้สวดเมื่อกี้นี้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายนี่ก็รวมไปถึงว่าสุขหรือทุกข์ด้วยสุขหรือทุกข์โกรธหรือไม่โกรธเกลียดหรือไม่เกลียดเศร้าหรือไม่เศร้า อยู่ที่ใจมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจไอ้ใจตัวนี้จะเรียกว่าเป็นเราก็ได้แต่ว่าถ้าพูดให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าเออใจนี้ก็คือเราทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไปแม้ว่ามันจะเป็นความพลัดพลาดสูญเสียเพราะมันอยู่ที่ใจถ้าใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญามันก็แล่นไปสู่ความทุกข์ และจากทุกแล้วอะไรต่ออะไรก็ตามมาเช็นไปทำร้ายคนอื่นหรือไม่ก็ทํางร้ายตัวเองหรือไม่ก็ทํางร้ายเข้าของสิ่งของโดยความโกรธก็ทําลายสิ่งต่างๆมากมายเส้นทางสายนี้มีแต่จะนําไปสู่การทําลายเส้นทางสายทุกเนี่ยนะแต่มันก็ยังสามารถที่จะวกกลับมาได้มาสู่เ ส, ส้นทางสายที่ไม่ทุก เมื่อใดก็ตามที่มีสติมันก็ไม่มีคำว่าสายมักสามารถที่จะวกกลับมาตัวกระแสกลับมาสู่ทางแยกเพื่อที่จะไปต่ออีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางสายสติปัฏฐานคือไม่ทุกการมีสตินะก็คือการระลึกรู้ในกายและใจหรือพู้ง่ายคือว่าไม่ลืมตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัว มีความรู้สึกตัวเวลาหมดความรู้สึกตัวเราก็เรียกว่าหมดสติเวลาใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเราก็เรียกว่าไม่มีสติคนธรรมดานะก็มีสติอยู่แล้วถ้าไม่สลบถ้าไม่หลับก็มีสติแต่ว่าบางทีก็ไม่มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นครั้งคราวหรืออยู่บ่อยๆเพราะว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คือลืมกายลืมใจไปตอนนั้นถึงแม้จะตื่นอยู่แต่ว่าก็ลืมกายลืมใจที่ลืมกายลืมใจเพราะว่าจิตมันเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์ก็มีหรือจิตมันเข้าไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวที่เรียกว่าทรงจิตออกนอกก็มีคนเราแม้จะตื่นอยู่แต่ว่าลืมกายลืมใจอยู่บ่อยๆเพราะเข้าไปในความคิดพอเข้าไปในความคิดก็ ก็เรียกว่าลืมตัวได้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง mm hmm. แกเป็นคนที่เรียกว่าเอาจริงเอา จ, งอาจังกับการคิดมากคิดได้ตลอดเวลาแล้วก็จะเรียกว่ามีสมาธิกับการคิดมากก็ได้กินก็คิดแม้แต่เดินไปทํางานแกไปเดินไปทํางานในหมาที่ไรแห่งหนึ่ง mm hmm. นีประเทศเยอรมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนัก ค, mm hmm. คิดเต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์มีชื่อ แข่งกันในเรื่องของการคิดคน้นทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์วันหนึ่งแกก็เดินนั่งคิดน่ะคิดคิดคิดคิดมันกําลังจะออกอยู่แล้วก็ปรากฏว่าไปเดินสะดุดเดินสะดุดก้อนหินก็ลม้มคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เข้าไปช่วยแต่เขาก็าไปช่วยในขณะที่แกกําลังนอนอยู่นั่นแหละแกก็ไม่ยอมให้คนช่วยแล้วบอกว่ายังไม่ยุ่งยุยังไม่ยุ่งกับฉันฉันยังไม่ว่างน่ะฉันยังไม่ว่าง รู้่าว่าฉันกำลังทำอะไรยอยูนะ่คือตอนนั้นตัวเองเนี่ยลืมไปแล้วว่าตัวเองล้มลงเพราะว่าใจมาอยู่กับการคิดคิดจนกรทั้งลืมลืมกายลืมกายลืมใจก็ได้ล้มลงแล้วยังไม่รู้ว่าล้มลงยังบอกว่าฉันยังไม่ว่างนี่ก็เป็นได้นะเพลินกับการคิดหรือว่าแนแน่นกับการคิดจนลืมกายลืมใจอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองก็ยังไม่รู้เลย คนมาช่วยก็ยังไปว่าเขาอีกแต่นี่ก็ยังดีนะที่คิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนมากเท่าไหร่แต่ถ้าจมเข้าไปในอารมณ์เช่นความโกรธความเศร้าความสูญเสียความรํราไรลําพันนี่อ้นี้หนักเพราะว่าถ้าทนไม่ได้จริงก็กทําร้ายตัวเองได้มันก็แปลกนะทั้งทั้งที่พอเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในความเศร้าวความโศกใจมันก็มันก็ถูกเผา ใจก็ถูกบีบคั้นด้วยอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็ไม่ยอมสลัดไม่ยอมวางมันยังเกอดเอาไว้อยู่เพราะอะไรก็เพราะมันมีรสชาติ ท, า ท, าทั้งๆที่เป็นรสชาติที่เจ็บปวดแต่เนื่องจากไม่มีสติเนื่องจากลืมตัวเนื่องจากไม่รู้สึกตัวมันก็เลยจมแล้วก็เกอดเอาไว้สลัดไม่ได้เพราะมันมีรสมีชาติมันเหมือนกับ เรากำลังพยายามที่จะยันหรือผลักเสาที่มันกําลังจะล้มพยายามที่จะยันให้มันตั้งตรงหรือว่าผลักมันออกไปแต่มันหนักมากก็กลายเป็นว่าแทนที่จะผลักมันออกไปกับกลายเป็นกอดเอาไว้แล้วยิ่งกอดมันก็ยิ่งหนักเพราะที่จริงมันคือการแบกใจนี่ไม่ชอบเลยใจนี้รู้ว่าทุกข์แต่ว่าไม่มีแรงที่จะผลักมันออกไปก็เลยถูกมันกดอุกมัน ค่อยๆกดจกนกระทั่งอาจจะโดนมันทับมันไปได้ในที่สุดอารมณ์มันหนักขนาดนั้นนะแล้วมันก็จะหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราจมดิ่งเข้าไปในอารมณ์นั้นเวลาเราไม่พอใจกับเสียงบางเสียงเช่นเสียงสวดมนต์ที่ไม่พร้อมกันหรือเสียงที่ไม่เสมอกันใหม่ๆก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่รู้สึกว่ามั น, มนแปลกมันปลา พอความไม่พอใจมันเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นไปกดเกาะติดอยู่กับเสียงนั้นแล้วก็เสียงนั้นก็จะดังขึ้นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆและความไม่พอใจก็จะมากขึ้นจนกลายเป็นความหงุดหงิดจากความหงุดหงิดก็กลายเป็นความกลัวจากความกลัวก็อยากระเบิดออกมาเลยก็ได้โวยวายออกม า, ออ ก, มาก็มีคือยิ่งจมดิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งแรงมันก็ยิ่งเข้มข้อนอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น คนที่ไม่พอใจนะหน้าตางตัวเองที่มันมีสิววัยรุ่นเป็นอย่างนี้ทีแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเขาไปคุ้นคิดอยู่ในเรื่องนี้มันก็เกิดความไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วก็ก็ปล่อยให้มันลุกลามจมเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็จะลุกลามมากขึ้นแรงมากขึ้นไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตัวเองปลุกเฝ้ามองก็ยิ่งคิดหนักในสุดก็คนไม่ไหวนอนก็คิด กินก็คิดอารมณ์ก็เผาผลาญใจจกนกระทั่งเครียดประสาทหรือว่าอาจจะทำร้ายตัวเองเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ตั้งแต่เนิ่นๆ เ, เนี่ยมันก็ไม่ถลําเข้าไปในอารมณ์หนักขนาดนั้นการเจริญสตินะที่เราฝึกกันก็คือการพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวให้มีมากขึ้น เป็นวิธีการที่เตือนให้เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะก็จะสังเกตได้ว่าเราลืมกายลืมใจอยู่อยู่บ่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราหมั่นระลึกได้อยู่เสมอมันลืมมันเผลอเมื่อไหร่น่าจะไปไกลแค่ไหนก็ตามเสร็จแล้วก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ใ้ตัวระลึกนั่นแหละถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเป็นกำลังให้กับสติต่อไปก็จะระลึกได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นมันก็จะจำอารมณ์ได้ความฟุ้งซ่านก็จะจำได้ดีขึ้นจำอารมณ์ต่างๆร้อยแปดพันได้ดีขึ้นยิ่งมีมากยิ่งเกิดขึ้นบ่อยๆหมายถึงอารมณ์เหล่านะั้นนะมันก็จะยิ่งจำได้ที่ผ่านมาเราไม่คิดจะจา แต่เมื่อเรามาปฏิบัติความจำก็ค่อยเกิดขึ้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะสลัดวางอารมณ์เหล่านั้นได้แทนที่จะเข้าไปเป็นก็กลายเป็นผู้เห็นมันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่บนชายหาดและเราก็เห็นคลื่นเล็กคลื่นน้อยมันซัดสาดเข้าฝั่งแต่ว่าคลื่นเหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ก่อนนั้นเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในทะเลเลยพอคลื่นมาเราก็ ลอยสูงตามคลื่นเวลาคลื่นลงเราก็ลดตามตามคลื่นพลื่นลงตามคลื่นนี่คือสภาวะของคนที่ไม่มีสติตือเพลินไปกับอารมณ์หรือจมไปกับอารมณ์มันยินดียินไล่ไปกับสิ่งที่รับรู้สัมผัสเจออารมณ์ที่พอใจได้รับคันสัตวเสริญกินอาหารที่อร่อยใจมันก็ล อ, อยนะัแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นหมดไปความสัตเสริญไม่มี ของอดีตไม่ได้กินมันก็มันก็ใจมันก็ฟูจากที่ฟูมก็แฟบลงเหมือนกับถูกคลื่นตกลงไปตามคลื่นพอคลื่นลดก็ลดไปด้วยใจยคนเราชื่งคนเราก็เหมือนกับคนที่อยู่ในทะเลมันขึ้นลงตามแรงคลื่นแต่เมื่อเรามีสติก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาอยู่บนฝั่งเราก็เห็นคลื่นมันขึ้นลงแต่เราก็ไม่ได้ อ น, นาถร้อนใจหรือว่ายินดียินายไปด้วยคลื่นนั่นคืออารมณ์ความคิดและความรู้สึกที่มันเกิดในใจรวมทั้งความแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับกายด้วยเจ็บปวดก็เห็นมันเหมือนกับคลื่นที่เกิดขึ้นและลงแต่ว่าไม่ได้มากระทบถึงเราเครียดเบื่อเซ็งง่วงฟุ้งซ่านก็เห็นมันเหมือนกับเห็นคลื่น แต่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ตัวเราก็แห้งแห้งสนิทเลยแล้วก็เห็นแบบใจเป็นกลางด้วยนะคือมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีคลื่นคือนเล็กคลื่นน้อยเราก็เห็นมันเสมอกันในทํามดองเดียวกับเวลาเราเกิดสุขเวทนาหรือเกิดทุกขเวทนาขึ้นในใจเราก็เห็นมันโดยที่ไม่แบ่งแยกว่าเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดี ความคิดอะไรที่ดีความคิดอะไรที่ไม่ดีก็เห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางๆงอย่างที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนบอกว่าเนี่ยคิดดีก็ตามคิดโ ช, ชก็ตามก็ช่างมันไม่มีการเลือกที่รักมักที่ังเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกความสงบก็ดีไม่สงบก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีไม่ฟุ้งซ่านก็ดีก็ไม่ได้วันไหว ยินดียินยไปกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้แหละคือการมองด้วยใจที่เป็นกลางแต่ก่อนอะไรที่ดีถ้ามันเป็นสุขเวทนาก็จะเข้าไปครอบครองกขไปยึดอะไรที่เป็นทุกขเวทนาก็อยากจะผลักมันออกไปเวลาเห็นความกลวัวเวลาเจอความกลัวก็อยากจะห้ามอยากจะกำจัดมันถ้าเป็นความเพลิดเพลินก็เคลื่อนไปกับมัน นี่คือวิธีของคนทั่วไปนะที่ไม่มีสติเพราะว่าสติปัฐานมันก็เวียงไปแค่สองทางนี้แหละก็คือว่าไม่เคลิ้มไม่เผลอก็ก็ไปแทรกแสงหรือเข้าไปบังคับจิตบังคับความคิดพยายามผลักสายมันแต่ว่าเมื่อเรามีสติเป็นฐานเราก็เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าดีหรือเลวไม่ว่าบวกหรือลบด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อถึงตอนนี้ก็จะทำให้ใจเราเป็นปกติได้ความรู้สึกตัวมันก็จะคลองใจได้นานขึ้นที่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เพราะเหตุ น, นี้แหละเพราะมันคิดจะเข้าไปผักไสนะสิ่งต่างๆที่ไม่ดีจะเข้าไปยึดครองต่างๆที่ให้สุขเวทนากับเรามันก็มัวแต่เข้าไป ผลักไสหรือยึดครองอย่างที่ว่ามามันก็เลยลืมกายลืมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไปอยู่ในความคิดก็ไปมีการกระทำเพื่อที่จะผลักไสหรือยึดคร อ, ง, องการปฏิบัติจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการหมันและลึกรู้กายและใจอยู่เสมอให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ทำแล้วก็ตามอย่าลืมกายลืมใจสวดมนต์ก็อย่าไปลืมกายลืมใจอย่าไปเพ่งนะสิ่งนอกตัวหรือว่าเข้าไปในอารมณ์เวลาทํากิดการงานต่างๆก็เอาใจใส่ลงไปเอาใจใส่ลงไปแต่ก็ไม่ต้องไปแนบแน่นหรือเขไม่ต้องไม่ต้องไปเพ่งกับส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าที่ร่างกายหรือไม่ว่าที่สิ่งของนอกตัวเดิน แล้วก็ให้รู้ว่าเดินให้รู้สึกไปรอบๆไปทั่วๆไม่ต้องไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อนไหวสร้างจังหวะก็ไม่ต้องไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือหรือไม่ต้องไปเพ่งไปเฝ้ามองทิศใจว่ามันจะคิดเรื่องอะไรให้มันคิดก่อนแล้วค่อยไปรู้นะไม่ใช่ไปรู้ก่อนที่มันจะคิดซึ่งอันนั้นเมื่อไก่กเป็นการเพ่งไปเราก็ประคอง ใจไม่ให้เผลอกับเพ่งถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ถ้าเพ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกเวลาใจมันคล้อยตามกิเลสอันนั้นก็ให้รู้ซะแต่เวลาใจมันพยายามไปกดข่มกิเลสกดข่มความรู้สึกหรือไปบังคับจิตอันนั้นก็ให้รู้เหมือนกันมันไม่ถูกทั้งคู่จะไปบังคับจิตให้มันดีอย่างที่ใจหวังอันนั้นมันก็มันไม่ใช่สติปัฏฐานแล้ว เพราะว่าสติปัฏฐานก็เพียงแค่รู้กายรู้ใจแค่เห็นเฉ ย, ยๆตามเห็นอยู่เรื่อยอคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็เห็นมันเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งสิ้นอันนี้มันก็เป็นการทวนกระแสะความเคยชินของเราที่ต้องเข้าไปทําอะไรสักอย่างกับมันเข้าไปทําอะไรสักอย่างกับความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นก็ไปคลอเคลียหรือผักสายมันออกไปแต่ าการกรทำอย่างนี้มันก็ทำด้วยกิเลสทั้งคู่ทำให้จิตมันดิ้นไม่สามารถที่จะอยู่เป็นปกติได้มันก็เป็นมัวหมกมุ่นกับการไปจัดการกับอารมณ์จนลืมกายลืมใจเริ่องไปกับความคิดก็ลืมกายลืมใจเข้าไปในอารมณ์ก็ลืมกายลืมใจเหมือนกันความรู้สึกตัวมันก็หมดไปมันก็เหมือนกับคนหลับนะมันไม่ตื่น ถ้าเรารักษาแจงเรานะไม่ให้เหวี่ยงไปในสองข้างไม่เผลอไม่เพ่งนะไม่เครือนเคลื่อนไหลหลงหรือไม่เพียงก็ไปกดข่มความรู้สึกตัวก็จะค่อยๆมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นอาการที่เห็นก็จะเข้ามาเด่นกว่ า, าการเข้าไปเป็นหลวงพ้อคําเขียงก็เน้นอยู่เสมอว่าให้เห็นอม่จเข้าไปเป็นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเห็นอย่างเดียวหเห็นอย่างเดียว ดีหรือชั่วก็เห็นอย่างเดียวอย่าเข้าไปเป็นมันสงบก็เห็นอย่าเข้าไปเป็นผู้สงบมันมีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นนิมิตแ ส, สงสีแล้วก็ตามเห็นอย่างเดียวไม่ใช่เข้าไปเป็นหรือเข้าไปเคลิ้มกับมันทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เห็นต้องมองทุกสิ่งที่มีเพื่อเห็นนะมือไม่เข้าไปเป็นอย่าไปหลงตามกิเลสที่มันจะหลอกให้เราเข้าไปเป็นอันนี้แหละถ้าเราประคองถ้าเรา รักษาใจอย่างนี้ความรู้สึกตัวก็จะเด่น<ม>ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็จะเข้ามาครองใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าเห็นหเฉยๆอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ปฏิเสธมันอาจจะยิ้มรับด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันมันก็มีประโยชน์ตรงที่ทำให้เราได้เห็นว่า ธรรมชาติของความโกรธเป็นอย่างไรความเกลียดเป็นอย่างไรความเครียดเป็นอย่างไรความเศร้าโศกเป็นอย่างไรความผิดหวังเป็นอย่างไรได้เห็นแล้วมันก็จะเฉลยความเป็นจริงเฉลยสัจธรรมออกมาเฉลยสัจธรรมที่เรียกว่าไตรลักษณ์ออกมาพวกนี้ก็เป็นครูเหมือนกันนะครูสอนธรรมะกับเราในอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดีหรือไม่ดี ที่จริงดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็เรียกเราก็ตั้งชื่อมันเองนะธรรมชาติจริงมันเป็นกลางๆแต่เราไปบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีถึงมันดีหรือไม่ดีก็เมื่อมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาติของมันมันเป็นกลางๆเป็นมนุษย์เราต่างหากนะที่เขาไปบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีซึ่งมันก็ไม่แน่นอนอาหารที่อร่อยคนนี้บอกอร่อยคนนั้นบอกไม่อร่อย ไม้กระดานแผ่นหนึ่งคนหนึ่งบอกสั้นคนหนึ่งบอกยาวที่จริงมันก็เป็นอยู่ของมันอยู่งั้นแต่มนุษย์เราไปบอกว่าอันนี้สั้นอันนี้ยาวดินสอมันสั้นเมื่อเทียบกับไม้เมตรนะแต่มันยาวเมื่อเทียบกับเอ็มมันมีทั้งสั้นและยาวในตัวมันเองมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้เพราะมนุษย์เราไปกําหนดขึ้นมาเองแต่ที่จริงมันไม่มีอะไร ตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมใหม่ๆเป็นคารวา่าท่านกําลังปฏิบัติกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ก็สอบถามมาสอบอารมณ์ท่านถามว่าเกลือเป็นยังไงเกลือเค็มไหมหลวงพ่อบอกก็เกลือมันอยู่โน่นมันจะเค็มได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ในปากผ ม, มนี่เกลือมันอยู่โน่นมันไม่ได้อยู่ในปากผมมันจะมันจะเค็มได้ยังไงฟังดูเหมือนงงนะแต่ก็จริงๆอ่ะเกลือมันเค็มกับตะเ ม, ม, มีมนินมนรู้เข้าไปเกี่ยวข้องคือเข้าไปกินมันเข้าไปลิ้มมันแต่ถ้าไม่มีเราเข้ไปเกี่ยวข้อง มันก็ไม่มีคําว่าเค็มเค็มหรือว่ามันเป็นเพรามนุษย์เราเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละสิ่งต่างๆมันเป็นกลางๆของมันเองแต่มนุษย์ต่างหาที่เข้าไปไปสมมุติไปบอกว่านี่ดีไม่ดีนี่เค็มนี่หวานนี่สั้นนี่ยาวอารมณ์ความรู้สึกในใจก็เหมือนกันเราก็ไปกําหนดไปบอกว่านี่ดีไม่นี่ไม่ดีพอดีเราก็เลยตกเป็นท่าของความสมมุติของเราพอเราไปคิดว่ามันดีเราตั้งชื่อว่าดีเราตั้งชื่อว่ากุศลเราก็เลยพลัดเข้าไปเพื่อที่จะ ยึดมันให้อยู่ได้กับเรานานๆแต่พ อ, อ น, นี้เราตั้งว่าไม่ดีเราบอกว่าไม่ดีเราก็พลอยหลงเชื่อสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาตกอยู่แน่หน้าของมันก็ไปผลักใสมันแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะมองแรมเป็นกลางๆเราก็ไม่ไปตกอยู่แตมหน้าของสิ่งต่างๆเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเราสามารถจะเห็นมันตามที่เป็นจริงได้ว่าไม่ว่ากุศลหรืออกุศลไม่ว่าบวกหรือลบมันเขารวนแต่สอ น, นจรจยธรรมให้กับเรา ซึ่งทำให้เราปล่อยวางได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเห็นในความไม่เที่ยงของมันมเห็นเพราะมันเป็นทุกข์หรือเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอันนี้แหละนะ<ม>ก็คือบันไดหรือขั้นตอนในการที่จะเรียนรู้จากสติปัฏฐาน<ม>ซึ่งแต่ละขั้นแต่ละตอนก็ช่วยทำให้เราห่างไกลความทุกข์มากขึ้น